ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหลักของการปฏิบัติทิดไม่มีสมาธิกรณีมีปัญญาก็ ม, มีแล้วจะเรียกว่าพุทธบริศัทใดอย่างไรพระองค์ตัดเทศนามีแนวทางสามสการนี้มีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องวัด พุทธบริษัทต้องนำเรินต่างนี้สินวันยังไม่ทันบริบูรณ์ากรักษาชิ้นทําบูรณ์ก่อนชิ้นจะเกิดสมาธิขึ้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่ห่างก็เลยไม่ได้สักข้อเดียวข้อหนึ่งซึ่งว่าขาดจัดพาโนพานาชีโต สัตว์มีชีวิตไม่ว่าสัดว์ตัวไหนทั้งหมดก็ไม่จําเป็นหรอกกเราอย่ต้องขาแต่บางคนก็ซุกชนหาข่าเลียนเป็นอาชีพอย่างนี้เราเองข่าไม่ใช่ข่าประโยชน์อะไ้ข่ากินนี้จุไม่ไม่ใช่ข่าประโยชน์ข่าเพื่อเลียนเพื่อสนุกสัตว์ทั้งหลาย เห็นคนแล้วพาดกลัวเหมือนกันกับศัตรูของมันมันสัตว์ที่จะเป็นมิตรกับคนนั้นไม่มีสักตัวเดียวนั่งเหลือพระเะ่านั้นอ่ะเพราะเห็นพราก็สนิทสนมคุ้นเคยหน่อยคนฝรั่งเขาเลี้ยงสัตว์มันเชื่อง คนพมาเลี้ยงสัตว์เชื่องเพราะไม่ฆ่าเพราะไม่ศีลสาเหตเรียนการฆ่าสัดนี่แหละเป็นเหตุทำให้มันมือจงก็ทั่งขาาคนไม่มีพาดีา้าใสเลยข่าจะพึ้นจะคือไปตลอดทั้งขอทั้งแม้ที่น้องทังกวางมด ถ้าไม่ไดก็ดื่มเบือให้มันเมาอะไรนไปค่อยขาดนี่ค่อยยึดสายึดยาค่อยตีกันเนี่ยเป็นเหตุอย่างนี้อ่ะศาสนาจะอยู่ได้ยังไงการลักการฉกโกงขงโมยก็ทํำนองเดียวกันไม่ใช่คนจนคนมีคนรวยยิ่งขงโมยมากค น, นจนนี่ไอ่กี่มากน้อยหรอ นี่ไม่หน่อยน้อยสองร้อยหละมากแล้วโผ ล, ล่ลยล่ะมันได้เท่านั้ น, นคนมีคนรวยนี่ดิมันเอามากๆช่อคงมากๆการช่อคงรักขโมยของเขาเป็นเหตุเดือดร้อนมากทีเดียวอย่างทุกวันนี่เราเห็นแล้ว นอนไมเป็นสุขอยู่ก็ไม่เป็นสุขทํามะาากินอะไรก็ไม่เป็นสุขสักอย่างเดียวหามาไว้ได้ก็รักษายากรักษาดีไม่ดีคนได้มากม า, มาอาเป็นภยัยเจ็ดตัวเสตัวอยู่ไม่เป็นสุขสร้างบ้านสร้างเรือนทํา เรียบร้อยทุกอย่างประตูหน้าต่างจิตมิดชิตก็ยังไม่ทันพอก็ต้องหาทำรั่วทำาหลายังไม้แล้วเนี่ยหาสุ น, นักเป่าอีกด้วยมันก็ไมคนความขโมยของคนมันจะสุขอะไรไหมความทุกข์ของคนเพราะไม่เป็นอนธรรมมาหากิน าการขโมยเนี่ยไม่เป็นสิ่งเดี๋ยวนี้มันถึงาการขโมยมันเป็นเรียกค่าไทยเอะแต่นี้มันจนกระทั่งเรียกค่าไทยเป็นแสนเป็นล้านๆมันมันขโมยของนะั้นมันไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่รวยตลอดได้ไปสมมตสู้คนธรรมารากินีเลยสุดจะอินี้ได้ ได้น้อยใช่น้อยได้มากใช่มากได้มาถึงยัตโสสม า, สม า, สมาทึงควรแต่ต า, าของตนเย็นหูเย็นตาเย็นใจอยู่ที่ไหนก็นสบายไม่เป็นเครื่องเดือร้อนได้มากมากใช่มากมากคุ้มข่ายเห็นว่าได้เปล่าแล้วก็ใช้สลุยก็ได้เดี๋ยวขมดใหม่หาใหม่โคดใหม่ชิงใหม่ต่อไปก็พื้ผิดในชิาชาจานก็ในท้องนองเดียว ไม่มีจิตผู้หญิงผู้ชาย ม, มีจิตเสียวัฒนธรรมจรินธรรมของคนไทยของเราถือพุทธศาสนามาแต่บ ร, ราณโบ ร, ราณไทยโบ ร, บ ร, ราณเอาประลังเอานิสัยคนประเทศนอกคนตะวันตกมาใช้เลยไม่มีวัฒนธรรมจรินธรรมอันดีงาม ทำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมเรื่องนี้มันเสื่อมเสียหมดไม่จะมีวัฒนธรรมไหมการข่าวของหกมือชาว ร, รัฐว่าพูดทําไม่จริงหลอกลวงทักการักพี่แรกเขพูดเล่นอ่ะนานมาเข้าเลยพูดจริงพูดหลอกลวงล่อลวง้ประการักเป็นไอเสียสทรัพย์สินเงินทองคน ทุกว่าน <homepage. S 1> ั่นเองเลยไม่เชื่อคนแรกก็ไม่เชื่อมีแต่เรื่องหลอกเรื่องงงเร่องสอนเรื่องโกงเอยไม่เชื่อท่านเด็ดขมันจะไม่เชื่อกันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างไงต่างคนต่างไม่เชื่อไว้เนืเชื่อใจซึ่งกันแม้ก็มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะไปไหนคะนี่อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับหมู่นียู่กับหมู่ก็ต้องเป็นอย่างไร ตลอดเวลาการดื่มโุราเมรไรมันของที่ทำให้มึนเมาทําให้หลงลืมสติทำแหงพังเผือหลงลืมสติพูดเพอ้อเชื่อแล้วไหลเท่าประการ่ดื่มโซราแล้วเนี่ยนะมันเป็น เหตุจะทำให้คนทาให้ใจกล้าใจแข็งนี่เรียกว่าชดรากินแล้วทำความชั่วได้หมดทุกประการทำชั่วได้ทั้งหากว่าเจงตัวด้วยเหตุคุณให้ประโยชน์อยู่ทำไม่ได้ต้องดื่มชุราแล้วไปทำได้หมดฆ่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องญาติโยมเรหมด ชิ้นห้าประการนี่นะถ้าหาว่าไม่มีในตัวของคนนีว้วเราพุทธบริษัทไม่มีชิ้นห้าไปจำตัวทักตัวเดียวหรือมีตัวสองตัว ม, มัน็ะห ม, ม่ทถึบุญกปรสมาธิมันจะมีไม่จะไงปัญญาจะเกิดอย่างไงใครจะเป็นคนรักษา รักษาศาสนาให้เป็นคนรักษาพระเด้าเป็เทศสนาและให้พวกเรานี่รักษาแต่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติาตามคำสั่งของพระเจ้าสอนด้วยมันอะไรค่าอะไรประโยชน์เีส่สินหาประการที่มันเป็นพื้นฐานของความสงบสุขถ้าไม่มีสินหาจะได้ถ้าความสงบสุขไม่ได้ ชินห้าประกาศด้วยกันซ้องดูบริบูนเอาคดหมายบ้านเมงไม่ต้องหรอกก็ชิ้นห้ามไม่มีตารวจทหารยังค่คยมากมายหามาเรียกตาํารวจมาใช้ให้เงินเดือนเท่าไหรก็ไม่พอมากมายเท่าไหรก็ไม่พอมันโต้ตารวจนั่นแหละตีขได้ให้เงินเดือนมาจะได้ไปกิ้นเรากิ้นเราหมดเมาหมด ไม่พอกันสักทีนั่นนี่แนหะมันไม่มีสิทธิ์ที่ทจรงว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสิทธิ์เข็นเป็นของดีแล้วองค์มิสอนให้เราทําตามศาวนาไม่ใช่สอนเฉยเฉยให้ไเข้าใจว่าสอนสอนบุคคลไม่ได้สอนไม่ได้พูดให้คนอื่นให้ไม่ให้พูดให้ใครฟังพูดให้คนฟัง คนเราถือศาสนาคนปฏิบัติตามศาสนาจึงค่อยรักษาศาสนาได้ไม่ได้สอนสอนให้สัตว์ไม่สอนให้อื่นไปอะไรส อ, อนให้คนเราทั้งนั้นคนเราก็ปฏิบัติศาสนา่คนเราปฏิบัติศาสน า, นา ก, นกานา็จะเริ อ, อนลูเเรือนจะริอนลูกเรือนใครล่ะถึงจะเริ อ, รอนอบ้านเมืองจะเริญนคู่คือตัวของเร า, าตั้งแต่ตัวของเราเนี่ยขึ้น ตัวเราคนหนึ่งจะเลื่อด้วยศิลธรรมนะครคนหนึ่งขึ้นอะ่ะสองคนจะเลื่อนด้วยศิลธรรมรักษาศิลธรรมก็จะเลื่อนไปเป็นสองคนสามลนี้ไปท่า น, นี้ทางบ้านทางเมืองทางโลกก็ไม่มีศิลธรรมเราคนเดียวทำไม่ได้ก็เลยคอยเสื่อมสวยหมดมันก็หมดเรื่องทั้งทีความชั่วนะี่ยพาธงมัวเมาประมาท ทำได้แต่ความดีท่านทําไมจึงทําไม่ได้สังคมมั่งนิยมสังคมทนถ้าทําคนเดียวนะี่ก็ไม่ทำแต่กลัวเพราะว่ากลัวจะไม่มีสังคมควุมกลัวนะั่นนะเรียกว่าไม่มั่นคงในจิทําทนถ้ามั่นคงสักคนหนึ่งจะแล้ว คนอื่นเห็นก็จะหอยเอาเป็นตัวอย่างสองคนเข้าสามคนก็เลยคยมากขึ้นมากเทศวันนี้เอาแต่เพียงริงหาไปเทศไม่ออกอย่าง้อยากฟังอยู่เล่าถือพุทธศาสนาจงตั้งใจปฏิบัติศาสนาศาสน า, าไม่ใช่พระองค์สอนให้ถือ เสียงจะถือเท่านั้นคำว่าถือในที่นี้นั้นในภาษาบ้านเราคำว่าคำว่าถือหนึ่งกับคําว่าปฏิบัติมันผิดกันเลยถือนี่อย่างถือกรรมอะไรถืออันนี้เรียกว่าถื อ, ถอนั้นปฏิบัตินี่ลงมือปฏิบัติเลยชาสนาเขาจะอาสอนให้เราปฏิบัติไม่ใช่สอนให้เราถือ เราเป็นพุทธมามากากถือพุทธศาสนาแล้วจงตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติในธรรมคั้นสองของพระเจ้าพ่อที่จะพึงปฏิบัติมียนยอ่อเพื่อปฏิบัติเบื้องต้นก็สินห้าประการชินห้านี่แหละเป็นบทบาท สำหรับที่จะก้าวไปสู่สมาธิและปัญญาถ้าหากสินหาไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อไรสมาธิและปัญญาก็ไม่เกิดพูดทั้งเรื่องสินแล้วไม่ต้องพูดทั้งเรื่องทานเป็นนั้นว่ามีทานอยู่ในตัวการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เรียกว่าให้อภัยทานให้ทานชีวิตของเขาที่จริงก็ของเขาเี็อยู่นั่นแหละแต่เราจะไปฆ่าเขาเราไม่เราไม่ฆ่าเรียกว่าให้ทานชีวิตเขาทานนั้นเรียกว่าอภัยทานการไม่รักทรัพย์ทรัพย์ก็ของเขานั่นแหละ เราเป็นลักเป็นขโมยเขาเมื่อเราไม่ลักก็เป็นอภพยทานถ้าไม่คุดผิด น, นิชฌาจาริยุทธภรรยาสามีของเขาก็ของเขานั่นแหละแต่ว่าเราไม่ประพฤติเราไม่ร่วงละเมิดก็เป็นอนุภาพอภัยทานน่น ท่านไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอเรียวไหลไม่พูดซอเสียนยุยงและคนแตกล่าสามัิธีกันอันนี้ก็เป็นอภัยทานอันหนึ่งซึ่งอภัยทานอันนี้เราให้ไปโดยที่ ไม่ได้ยืมของเ ข, า, เขามาหรอกของเรานี่แหละไม่ได้ของใครนับพยายามตรงนั้นเรางดเว้นเราไม่กระทำเสียนั่นเรียกว่าพยายานการไม่ดื่มชุราในไรยิงเป็นเครื่องดองของเมาทำให้เกิดความประมาท อันนี้ก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของคุณยืมเข้ามาและไม่ใช่ของเราแต่เราไม่เกิดทำความงดเว้นอันนั้นแหละเป็นภอภัยทานอันหนึ่งแท้ที่จริงสุรามีไรอันนี้เป็นภยัยอันตรายอย่างร้ายกาที่สุดบ้านเราเมืองเรา ที่เกิดฆ่าเกิดตีกันเกิดทะเลาะวิวาทกันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากสุราไม่ได้คนจะฆ่าจะทำลายร่างกายซึ่งกันมันต้องดื่มสุราลงไปก่อนจนเกิดความมึนเมายังค่อยทำได้คลองบาปหนากระเท่าไ่ ผมชั่วสักเท่าไรท่านดื่มสุราไปแล้วเป็นว่าทำได้หมดนั่นแหละท่านจึงว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทความประมานี้คําว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทดื่มมันไปแล้วประมาทมันทํำผมชั่วด้วยประการต่างๆยิ่งคนติดมากๆก็แล้ว กินทราดื่มสลาดูเงินจะมากกว่าดื่มน้ำทีเงินเดือนเงินดาวอะไรต่างเ ง, เงินที่หามาได้ต่างไม่พอสักทีทั้งรัฐบาลก็ส่งเสริมช่วยเหลือเท่าไรก็ไม่พอเพิ่มให้เท่าไรก็ไม่พอมันจะพออะไร ไปดื่มสุดาไปกินคนเดียวหมดครอบครัวไม่ได้ทานเราเห็นกันอยู่ชึ่งซึ่งมาโทษทั้งดื่มโุดาเป็นอย่างนี้ถึงว่าพยายานนี้นั่นเป็นทานภายในของภายในของตัวเรา เรางดเล้นจากการ่าสัต์ถึงแม้ข้าวิเศเข า, นนารเรางดเล้นภายในอันนี้การรักสัตเรางดเล้นภายในใจของเราการบิดผิดนิชาการข่าว ข, ของมูตาวาดิมสราไม่ได้วนแล้วแต่งเรางดเว้นภายในเรียกว่าละทิใจของเรา ไม่ได้ไปละคนอื่นไม่ได้ไปให้คนอื่นในข่าสัตว์รักครับของเขามีชีวิตอยู่ครับของเขามีอยู่นั่นก็เป็นจิตของเขาถ้าเราไปรักไปขโมยเราไปรักทัพเราไปฆ่าสัตเรานี่เป็นคนผิด เราเป็นคนชั่วเห่นั้นจึงต้องละที่กาที่ตัวของเราพุทธศาสนาสอนในละส่วนตัวละเฉพาะตัวเรานี่แหละต้องละคนอื่นไม่คนอื่นละเมื่อเราละได้แล้วศาสนาก็มาอยู่ที่ตัว ศาสนากระปลากดมีขึ้นในตัวของเรา mm hmm. เราถือพุทธศาสนาถือสมัอมมาอนุนา mm ์ hmm. ตั้งแต่ mm hmm. ไหนแต่ใดมาดูหน mm hmm. าตาท็่ถือว่าจะใดเราก็ mm hmm. ตั้งแต่เกิดจนเฒ่าจนแก่ชิ้นห้าขา้างในี้เมื่อม mm ัน hmm. มีชิ้นห้าจะศาสนาจะมีะได้อย่างไร ตัวเจ้าคอมมุนิดตมาทำลายศาสนาแท้ที่จริงเราทำลายอยู่ในนั้นศาสนาในตัวของเราเราไปทำลายลงไปคอมุนิดตมันจะมาที่ไหนมันจะทำลายยังไงได้เรานี่เองทำลายศาสนาเราถือพุทธศาสนาแต่ว่าเราไปปฏิบัติตามศาสนาอันนั้นแหละ ตัวข้อมนิตเนี่ยไม่ต้องอื่นใกลเกิดขึ้นมาต้องพากันรักษาให้มันได้อย่างน้อยที่สุดไม่ได้ครบทั้ง5ก็ค่อยได้สัก4ตัวเถอะไม่ได้4ี่ตัวก็สตัวเอาละสข้อเอาละไม่ได้2 3 3สเอา2ไม่ได้2 3, 1, องเอาหนึ่มันได้จรงจิ มันได้จริงๆเลงจังทัานหาว่าข้างใจงดเล่นจริงๆอย่างจังข้อเดียวเท่านั้นนะ่ะมันอาจจะไปได้ทั้งหากอ้า น, นนี้เกิดขึ้นมาแล้วโอ๊ยรักษาชินหาชินแตดไม่ได้สากทีไม่ครบสักทีถ้าไม่เจตนาจะรักษา เรากะเป็นปีก็ได้กะเป็นเดือนก็ได้นันอื่นเรายังสาเรายังหามาได้เงินทองของขาวไ้ต้นใช้ในสอยป้านเลื่อนหามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่เราคิดค้นไม่้อ้หาที่อื่นค้นเราในตัวของเรานี่ละเว้นในตัวของเรานี่ยไม่ต้องมาหาที่อื่นปีถึ่งให้ได้ตัวนึง สองปีสองตัวสามปีสามตัว4ี่ปีห้าปีก็ครบบริบูรณ์นะนัาศาสนาก็บริบูรณ์ขึ้นบ้านเมืองก็จเจริญรุ่งเรืองความไม่จเจริญความที่มันเสื่อมาศาสหาเสื่อมทุกวันนนนี่เพราะมันมีชินหา น, นี่แหละ ใช้ตบล้นบนเดยวอาศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมตัวของเราก็เสื่อมจำอีกมันเลยเสื่อมไปโดยกานหมดอยากให้คนอื่นรักษาแล้วเราจึงจะรักษาคนอื่นเขารักษาแล้วตัวของเราไม่สะอาดจะรักษาไหมรักษาเรียกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งให้มีคนละตัวละตัวกันในครอบครัวของเราน ห้าคนละห้าคอคนละ ค, ค, ค, คอแล้ว ค, ค อ, คคอเอารักษาคนละตัวปฏิบัติเอาคนละตัวงดเล่นเอาคนละตัวให้ครบทั้งห้างเอเหลือไปอีกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเอาเหลือไปวปจะไ ว, ว้ซะก่อนอในห้าคนเนี่ยเอาพ่อแม่ไปก่อนน่ะให้คนละตัวซะก่อนเมื่อรักษาอยู่อย่างนี้ ชิ้นห้าข้อคนละตัวรักษาได้ละห้าตัวห้าคนนะจะมารวมกันเป็นตัวเดียวเป็นคนคนเดียวคือว่าจะมารวมเข้าเป็นของคนเดียวนี่แหละการรักษาในการปฏิบัติศาสนาต้องมีชิ้นผ้าเป็นพื้นถ้าไม่มีชิ้นผ้าแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไเป็นเครื่องวัด ข้อห้านั่นคือเป็นเครื่องวัดความดีข้อหนึ่งรักษาได้ความดีอันหนึ่งข้อสองข้อสามรักษาความดีสองสามข้มอใ ส, ส่วนกระทั่งถึงห้าข้อไม่ใช่ฉินพูดกัน ง, ง่ายๆแล้วไม่ใช่ฉินห้าคือขอ้อค ว, วามชั่วห้าประการความชั่วหาประการเรา ไม่รักษาคือเราไม่ปฏิบัติความชื่วของเราก็มีทั้งหาอย่างทาปฏิบัติได้สักข้อหนึ่งสี่ข้อนั่ก็เว้นไวเอาไวส้สกข อ, อนนั่นก็ได้ชื่อว่าเราได้ขึ้นมาเนยาตสนาขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อรักษาเช่นผาได้บริบูรณ์ครบมูลบริบูรณ์แล้ว ปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นมาสมาธินีย่ยิ่งดีกว่าจิตเอกธรรมทำสมาธิแนวแน่จิตเอกก็ตาลงจิตเป็นอันหนึ่งโลมเป็นอันหนึ่งได้เป็นเอก เ, เป็นอันหนึ่งเราจะได้ความถุกความสงบอย่างยิ่งความทุกข์ก็ได้เสมอได้ความสงบไม่มี มีเงินจั้งร้อยล้านพันล้านเท่าไรก็ตามถึงเมื่อทำความสงบดะจะปรากฏสุขอย่างยิ่งอะไรจะ เ, เหมอเนี<ไ>่ยเหมือนไม่ได้เพราะสมบัติมีความสุขจริงแหละเพราะยินดีต่อความสุขแต่หากมีภายในตัวคนมีเงินมีทองมากมากมากอยากจะ เขาจะไปเรียกหาไทายาในที่นี้เราไม่เป็นสุขนี่เงินเนีเห็นโทษทีเดียวส่วนมีสินหักหอดนึกสมบูบริบูรนด้วยสมาธิแล้วไม่มีใครจะมาขโมยไม่มีใครจะมาชกไม่ใครจะมาชอมสินสมาธิแล้วไม่มีใครมาชอมเอาให้มันก็ไม่เอาทำยังไง ขโมยเนะนี่ยมันดีอย่างเงี้ยมันสุขอย่างเงี้ยสมาธิมันเกิดความสุขให้ความูกแกู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ตอนนั้นก็เกิดปัญญาว่องขวงมันเกิดเองอับปัญญาหากสมาธิผิดแนวแน่เป็นหนึ่งแล้วเห็นอะไรอะไรทั้งหมด มันเป็นเรื่องคิดเรื่องกิจนาให้เกิดสัญญาทางนั้นการทําส่วนสงบอกุศลในอันหนึ่งซึ่งจะเอาปุโทโธประจามเธอะจะเอาอนาป่าสตีประชากใจนั้นแน่วแน่อย่างอันเดียวแต่ก่อนนั้นนี่ยเข้ามาพุโทโธพอดีเรื อ, อนาป่าสถีพอดีนี่เข้าใจว่านั้นเป็นภาวนา เข้าใจว่าอันนั้นเป็นอุบายสำหรับล่อให้จิตเข้ามาอยู่กัวนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นบางคนพูดโทนเป็นอารมณ์เลยโอ้แต่พูดโทนอย่างเดียวไม่รู้จักวิธีที่จะกำเนิเอาอุบายอุบายที่ว่านี่นั้น ท่านให้ท่านแนะนําให้หรือว่าไม่ใช่ท่านละเราเนี่แหละแนะนาเราเองพุโทโธพุธโทโธใจทิ่นึกพุโทโธนั้นจิตที่นึกพุโทโธนั้นมันมีอันหนึ่งแล้วใจนั้นอีกอันหนึ่ง